9. อุขิตะสัมโพคะสิกขาบท 122. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ก็ยังคบหากับภิกษุผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สง์ยังไม่ได้ทำทำอันสมควรผู้ยังไม่ยอมสละทิฏฐินั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงสาวัตถีถาม ทรงปราลบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัคขีรู้อยู่ก็ยังคบหากับภิกษุอริฏะผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สง์ยังไม่ได้ทําธรรมอันสมควรผู้ยังไม่สละทิฏฐินั้นในอุขิตะสัมโภคะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน